คำว่าเมื่อเลือกเฟ้นอยู่ได้เห็นแล้วเนี่ยนะคือเห็นความสงบในภายในคาว่าสงบในภายในก็คือเลือกเฟ้นอย่างนี้ก็เห็นความสงบจากราคะเนี่ยนะซึ่งความสงบความเข้าไปสงบความดับความระงับราคะโทสะโมหะอ่นะความสงบความเข้าไปสงบความระงับความดับความโกรธความผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอริสยาตรณีความลวงโออด หัวเดือแข็งดีถือตัวดูหมิ่นมัวเมาประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริตความกวนกวายความเร้าร้อนอกุุลาภิสังขารเพราะฉะนั้นท่านสงบภายในสงบบาปอากุศลเหล่านี้ในภายในได้หมดแล้วคําว่าเมื่อเลือกเฟ้นอยู่เนี่ยเลือกเฟ้นเนี่ยเลือกเฟ้นว่ายังไงคือเลือกเฟ้นคือค้นหาสแสวงหาเทียบเคียงตรวจตราสอบสวนทําให้แจ่มแจ้งว่าสัพเพสังขาราอนิจจา สังขารที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดไม่เที่ยงเนี่ยนะเพราะที่ไม่เที่ยงก็อะไรอันปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเนี่ย ว, ว, วิปริณามะไงใช่เนะียวิปริณามะแล้วมันก็นิโรธาและอีกอันหนึ่งที่ว่าที่ลงท้ายเป็นขั้นที่แปก็แปรปรวนไง ในนี้มีเจ็ดใช่ไหมไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปก็คลายไปนี่นะวิปาไม่ใช่อันนั้นวิราคะคลายเนี่ยมาจากวิราคะ ปัจึงตัวสังขารทั้งปวงเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้คือไม่เที่ยงเป็นต้นดังที่กล่าวไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ตามเห็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะซึ่งสับผ้าสังขารอย่างนี้จะเบื่อหน่ายไหมก็เบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดเพราะในการเลือกเฟ้นเห็นสังขารไม่เที่ยงอย่างนี้ดังที่กล่าวไปก็ตรัสรู้อริยศาสตร์ได้หรือเลือกเฟ้นเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นทุกเนี่ยเป็นทุกขคือยังไงก็คือเป็นของร้อนใช่ไหม เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นหรือว่าเป็นที่ตั้งแห่งความร้อนคือราคะเราะความร้อนคือโทสะเป็นที่ตั้งแห่งความร้อนคือโมหะตัวสังขารทุกชนิดก็มีชาติชราพยาธิมรณะโศกะพริเทวทุกขโทมนัตและอุปาญาตฉะนั้นบุคคลที่ตามเห็นอย่างนี้ก็จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงความเบื่อหน่ายก็นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เนี่ยนะ หรือเห็นว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะว่าเป็นของว่างจากอัตตาว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากความไม่แปรปรวนนีนะมนเบื่อเห็นอย่างนี้ก็ย่อมจะเบื่อหน่ายในธรรมทั้งปวงนความเบื่อหน่ายนั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดหรือเห็นว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมี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 ความไม่รู้ในอริยสัจสีนั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งปุญญาพิสังขารอักปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารเ น, นี่ยนะก็คือสังขารสาสังขารสมเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยนะปฏิสนธิวิญญาณในพบทั้งหลายตั้งแต่การมาภพรูปประภพและอรูปประภพนี่เมื่อปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นนามรูปก็หยางลงเนี่ยนะนามรูปก็หยางลงเมื่อนามรูปหยางลงเนี่ยนะ เมื er, ่อนามรูปมีอย่างนี้แล้วจะนามรูปเจริญเติบโตก็เป็นสลายยตนะอนัญญายตนะ6ก็อย่างลงเมื่อยตนะ6อย่างลงก็เป็นที่ตั้งแห่งผัสสะผัสสะทั้ง6เนี่ยนะเมื่อผัสสะหเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาสในทวาร6เมื่อเวทนาสามในทวาร6ก็เป็นปัจจัยแก่ตันหาทั้งการมาตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาตันหาก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน4อุปาทานสี่ก็เป็นปัจจัยแก่ กรรมภพคื อ, ก า, อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะที่เป็นกรรมภพแล้วก็กรรมภพเหล่านั้นก็แบ่งเป็นก ร, รมภพรูปภพอรูปภพภพเหล่านั้นก็เป็นปัจจัยแก่ชาติคือการปฏิสนธิในภพต่อไป เ, นะเมื่อปฏิสนธิผลของการปฏิสนธิก็คือชรากับมรณะ บุคคลเมื่อเห็นตามความเป็นจริงว่าถ้าสํารอกอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือคือถ้าแทงตลอดอริยสัจสี่โดยประการทั้งปวงเลยนะอวิชชาก็ดับถ้าอวิชชาดับบุญบาปก็ก็ดับนี่นะสังขารก็ดับถ้าสังขารดับปฏิสนธิวิญญาณก็ไม่เกิดถ้าปฏิสนธิวิญญาณไม่หยางลงนามรูปก็ไม่เป็นไปเมื่อนามรูปไม่เป็นไปอายตนะก็ไม่เจริญเมื่ออายตนะทั้งหไม่เจริญภาษะก็ไม่มีเมื่อภาษาไม่มีเวทนาก็ไม่มีถ้าเวทนาไม่มี ตัณหาก็ไม่มีถ้าตัณหาไม่มีความยึดถือจะมีมาจากไหนถ้าไม่ยึดถือก็ไม่เป็นกรรมถ้าไม่เป็นกรรมเนี่ยนะไม่เป็นกรรมแล้วก็กาปรปฏิสนธิในภพต่อไปก็ไม่มีเมื่อไม่มีปฏิสนธิในภพต่อไปจะมีชรา ม, มรณะมาแต่ไหนเนี่ยนะอันก็ดับได้นี่เมื่อรู้ว่าสามารถที่รู้เหตุเกิดความดับอั ส, สาธ า, าอาทีนวะนิสรณะของตาหูจมูกลิน้นกายใจรู้เหตุเกิดความดับอัสสาธ า, าอาทีนวะนิสรณะของ อุปาทานขันห้ารู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสารณะของมหาภูตรูปสี่หรือว่ารู้ว่านี้ทุกขนี้เหตุเกิดแห่งทุกขนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขว่ารู้เนื่อนี้อาสวะนี้ความเกิดของอาสวะนี้ความดับอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะจนรู้ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้การเป็นการวิจัยการใคร่ครวญเป็นการเลือกเฟ้นการพิจารณาเลยนะแล้ก็เลือกเฟ้นเนี่ยพั้นคําว่าได้เห็นแล้วคือเมื่อเลือกเฟ้นอย่างนั้นก็ได้เห็นได้ประสบได้พบได้เห็นได้แทงตลอดแทงตลอดซึ่งความสงบภายในสงบภายในก็คืออะไรก็คือแทงสงบราคาสงบโทสะสงบโมหะใช่ไหม สงบความโกรธความผูกโกรธลบหลู่ตีเสมอสงบความริษยาความลวงโอ้อวดความหัวดื้อแข็งบีถือตัวดูหมิน่นมัวเมาประมาทกิเลส ท, ทุจริญความกวนกวายความเร่าร้อนความเดือดร้อนอกุศลาภิสังขารเมื่อเคลวควนขวายพิจารณาตรวจตราจนเห็นอริยสัจก็ระงับสมุทัยโดยประการทั้งปวงอันจึงสรุปว่าการถึงความตกลงใจในทิฏฐิหกสิบทั้งหลายแล้วถือมั่นว่าเราเกล่าว สิ่งนี้ดังนี้ย่อมไม่มีแก่เราคือทิฏฐิ62เนี่ยไม่มีะนะเพราะเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพเมื่อไม่ยึดถือไม่ยึดถือทิฏฐิะนะเลือกเฟ้นคือเลือกเฟ้นพิจารณาอริยสัจก็เห็นความสงบราคะโทสะโมหะเป็นต้นนั่นเองทีนี้มาคันธิยพรามก็ถามต่อไปใหม่ว่าทิฏฐิเราใดที่หลกตกลงใจดำริแล้ว ท่านมูนีไม่ถือมั่นทิถิเหล่านั้นกล่าวอัดใดว่าความสงบในภายในอัดนั้นทีระชนทั้งหลายประกาศไว้อย่างไรเนาะเนี่ยนะเอ๊มเป็นยังไงนะบอกว่าที่ไม่ยึดถือในทิถีนะกล่าวถึงอัดคือความสงบไอ้ความสงบันเป็นยังไงฟังกันคำถามนะว่าความสงบคืออะไรอธิบายว่าคาว่าทิถิก็คือทิถีหกสิสองเนี่ยนะที่เรียกว่าทิถิที่ตกลงใจ คำว่าดําริตแล้วก็คือกําหนดแล้วปรุงแต่งแล้วตั Martine, ้งไว้ดีแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าดําริตแล้วอีกอย่างหนึ่งทิฏฐิทั้งหลายไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแม้เพราะฉะนั้นความดําริตนั้นจึงชื่อว่าทิฐิที่ตกลงใจเนี่ย ก็คือความไม่เที่ยงของทิฏฐินะทั้งทิฏฐิหกสบสองก็เป็นไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นทั้งนั้นแหละก็คําว่าไม่ถือมั่นเนี่ยนะความว่าท่านรับรองว่าเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายจึงไม่ถือไม่รูปคลําไม่ยึดมั่นซึ่งทิฏฐิทั้งหลายและกล่าวความสงบภายในคําว่าอัดนั้นคืออัดใดเพราะฉะนั้นคําว่า ท่านเป็นมุนีไม่ถือมั่นในทิฐิเหล่านั้นน่ะท่านกล่าวอาัตาัยความสงบในภายในอัดนั้นทีรชนทั้งหลายประกาศไว้อย่างไรหนอะคําว่าอย่างไรก็คือเป็นคําถามที่สงสัยแคลงใจเป็นคําถามสองทางเนี่ยนะเป็นคําถามโดยส่วนเป็นอเนกว่าเป็นอย่างนั้นหรือหรือว่าไม่ใช่หรือหนอะหรือว่าเป็นอย่างไรหนอะว่าอย่างไรเล่าหนอะก็เป็นคำถามอ่ะ น, นะ คำว่าทีระชนทั้งหลายได้แกบ่บัณฑิตบุคคลผู้มีปัญญาผู้มีความรู้ผู้มีญาณผู้มีปัญญาเครื่องทรงจําคําว่าประกาศไว้แล้วก็คือกล่าวประกาศบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจําแนกทําให้ตื่นประกาศแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าทีรชนทั้งหลายประกาศไว้อย่างไรหนอสรุปคําถามว่าสรุปคําถามของมาคันธิยาพราหม น, นะว่าทิฐิเหล่าใดคือทิฏฐิหกสที่ตกลงใจคิดแล้วอย่างงี้นะ ท่านเป็นมุนีไม่ถือมั่นในทิฏฐิเหล่านั้นคือไม่ยึดถือทิฐิหกเนี่ยนะกล่าวอัดใดว่าความสงบภายใน น, นะอัดคือความสงบเนี่ยนะทีรชนทั้งหลายเนี่ยประกาศไอ้ความสงบนั้นเอาไว้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนมาคันธยะบัณฑิตไม่กล่าวความหมดจดแม้ด้วยทิฐิเนี่ยนะไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยทิฏฐินะไม่กล่าวความหมดจดคือความบริสุทธิ์ด้วยสุตะ ไม่กล่าวความหมดจดแม้ด้วยยานไม่กล่าวความหมดจดแม้ด้วยศีลและพรตนั่ะเมืใช้ว่า <edd> บริสุทธิ์ด้วยทิฏฐิสุตะยานและศีลพรตนะบุคคลย่อมไม่ถึงความสงบในภายในด้วยความไม่มีทิฏฐิด้วยความไม่มีสุตต์ด้วยความไม่มียานด้วยความไม่มีศีลด้วยความไม่มีพรตก็หาไม่ได้นะคือตัวตัวศีลตัวสุตะทิฏฐิตัวยานตัวศีลพรตเนี่ยไม่ไ <imagined>. ด้ทําให้บรรลุ แต่ถ้าไม่มีทิฏฐิไม่มีสุตตะไม่มียานไม่มีศีลก็บรรลุไม่ได้อีกนั่นแหละบุคคลสละธรรมะนั่นแล้วไม่ถือมั่นคือผู้ที่สละแล้วนะสละความยึดถือเนี่ยไม่ถือมั่นเป็นผู้สงบไม่อาศัยแล้วไม่พึงหวังพบซึ่งภาษาดิบอธิบายนิเทศว่าบัณฑิตไม่กล่าวความหมดจดแม้ด้วยทิฏฐิด้วยสุตตะแม้ด้วยยานอธิบายว่า บัณฑิตไม่กล่าวคือไม่บอกไม่พูดไม่แสดงไม่แถลงซึ่งความหมดจดความหมดจดวิเศษความหมดจดรอบความพ้นความพ้นวิเศษความพ้นรอบแม้ด้วยทิฏฐิสุตะทิฏฐิและสุตะแม้ด้วยยานคำว่าบัณฑิตไม่กล่าวความหมดจดแม้ด้วยศีลและด้วยพรนธเนี่ยนะบายว่าบัณฑิตไม่กล่าวไม่บอกไม่พูดไม่แสดงไม่แถลงความหมดจดแม้ด้วยศีลและด้วยพรตเนี่ยนะ อันสรุปว่าบุคคลย่อมถึงความสงบในภายในด้วยความไม่มีทิฏฐิด้วยความไม่มีสุตตะด้วยความไม่มียานด้วยความไม่มีศีลด้วยความไม่มีพรตก่อหาไม่ได้นะไม่ใช่ว่าไม่มีทิฏฐิไม่มีสุตตะไม่มียานไม่มีศีนวัดแล้วอจะบรรลุก็ไม่ใช่นะเพราะว่าทิฏฐิอย่างทิฏฐิ62เนี่ยไม่ได้ช่วยให้บรรลุเลย แต่กรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐินี้ช่วยให้บรรลุเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยกรร ม, มสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นอุปนิสัยอธิบายดังต่อไปนี้ว่าทิฏฐิในที่นี้ท่านประสงค์เอาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสวัตถุสิบแต่ที่ปฏิเสธครั้งก่อนเนี่ยปฏิเสธทิฏฐิหกสิบสองก็คือเชื่อว่าทานที่ให้แล้วมีผลการบูชามีผลการต้อนรับเชื้อเชิญเนี่ยมีผลผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วทําแล้วมีอยู่โลกนี้มีหมายถึงว่า กรรมที่ทําแล้วในโลกที่แล้วนะมาให้ผลในโลกนี้มีอยู่โลกหน้ามีหมายถึงว่ากรรมที่ทําในโลกนี้จะมีผลในโลกหน้ามีอยู่มารดามีมีพระคุณนะนะหมายว่าถ้าทําดีทําชั่วกับมารดาก็มีผลกับบิดาก็มีผลเนี่ยสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีอยู่ก็คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเทวดาพรหมเนี่ยมีสมณะพราหมณ์ที่ดําเนินชอบปฏิบัติชอบผู้ทําให้แจ้งซึ่งโลกนี้โลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ผู้อื่น รู้เนี่ยมีอยู่ก็คือพระพุทธเจ้ามีทั้งสิบประการนี้เรียกว่ากรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิมีวัตถุทั้งสิบอย่างนี้แหละที่มีอุปการะสำคัญมากต่อการบรรลุต่อการแทงตลอดอริยสัจ เพลนแม้ด้วยสุตะสุตะในที่นี้ก็คือประสงค์เอาการฟังธรรมแต่บุคคลอื่นก็คือฟังอะไรฟังสุตตะเคยะเวยากรณาคาถาอุทานนิติวุตกะชาดกอภูตธรรมเวทละอันนี้หมายถึงการฟังพระไตรปิฎกมืนเด็จกจะบรรลุธรรมโดยไม่มีการฟังคําสอนเป็นไปไม่ได้หรือไงข้อสามแม่ยานท่านก็ประสงค์เอากรมมสกตายานสัจจานุโลมิมกยานอภิญญายานสมาบัติยาน นะกรรมสกกตายานก็มีสิบนะสัจจานุโลมิมกายานก็คือวิปัสนาญาณทั้งหลายส่วนอภิญญาญาณก็คืออภิญญาเช่นระลึกชาติได้เป็นต้นสมาบัติก็คือฌานทั้งหลายแม้ศีลก็พึงประสงค์เอาปาติโมฆขสังวรศีลแม้วัดก็ประสงค์เอาทุดงควัดแ8ดตั้งแต่อยู่ป่าเป็นวัดบินฑบาตเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดไตรจีวณเป็นวัดบิณฑบาตตามลําดับเป็นวัดห้ามห้ามครูปรชภาพเนี้ยห้ามอาหารที่ตามมาสงภัยหลัง ในสั์ชิหรือว่าอยู่ตามเสนาสนะที่เขาจัดไว้ให้